ปั ญ, ญายาธรรมใต้โบสถ์วัดยานเวศกวันจังหวัดนคนปรปฐมชุดพุทธธรรมหลักการดำเนินชีวิตพัน ท, ที่สองลำดับที่หนึ่งเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระคัมภิต คผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวักรวรนจังหวัดนครปฐมขอเจริญพรสำหรับในวันเสาร์นี้ก็จะได้มาคุยกันต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนั้นโยมได้ลองไปฝึกกันแล้อยังเอ่ยนี่เ่็นของการเดินจงกรม ได้ลองไปฝึกบ้างมีติดปัญหาอะไรตรงไหนไม่เอ่ยในคอร์สนี้มีโยมบางท่านถามว่าโอว้วันนี้ทำไมเริ่มปฏิบัติเร็วจัง <c oughs> คนะก็คิดว่าจะพยายามให้โยมเริ่มปฏิบัติให้เร็วขึ้นมานิดนึงเพราะว่าในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจริงๆถ้าโยมได้ปฏิบัติตอนนี้เวลามาฟังทำต่อในขณะที่ใจสงบเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นแง่มุมต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันจะต้องสัมพันธ์กันไปทั้งคู่ ทั้งในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ในแง่ของการฝึกนวันนี้อาตมาก็จะมาคุยกันต่อจากคราที่แล้ว <c oughs> คราที่แล้วในช่วงสุดท้าย น, นั้นอาตมาได้บอกให้โยมฟังให้ให้รู้จักถึงวิธีการฝึกกรรมฐานอย่างที่เรียกว่าการเดินจมกลมุมซึ่งเป็นการฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งนอุบายในที่นี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราสงบระงับ นะแล้วก็พร้อมใช้งานนะการเึกกรรมฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวัตถุประสงค์นี้คราวที่แล้วนั้นสิ่งที่อาจามาให้เป็นอารมณ์กรรมฐานสําหรับโยมนั่นก็คืออะไรเอ่ยภาวะที่เป็นรูปร่างกลุ่มก้อนรู้จักใช่ไหมคราวที่แล้วมีใครไม่รู้สึกบ้างหรือใครจับไม่ได้มีเมฆร้างไม่เอ่ยรู้สึกได้ทุกคนนะ วันนี้จะมาประยุกต์ต่อให้อีกสักนิดหนึ่งกันละกันในแง่ของภาวะที่เป็นรูปร่างกลมกลอนว่าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นอย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้ แ, แม้แต่กระทั่งการที่โยมนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้โยมก็สามารถฝึกได้โยมบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าไปที่ทำงานก็คงไม่มีโอกาสได้ฝึกหรือกลับมาที่บ้านไม่มีบริเวณจะเดินสัก 29- สิบถึงสาบบริเวณมีไม่ถึงโดยเฉพาะในปัจจุบันบางท่านก็อาศัยอยู่ที่คอนโดใช่ไหม คอนโดมิเนียมอย่างนี้ห้องมันไม่กว้างคงไม่มีเวลาฝึกนะเพราะฉะนั้นจะบอกวิธีการฝึกอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนกับการเดินแต่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้การเคลื่อนไหวของอวัยวะอื่นแทนเช่นเป็นที่แขนเดินนี่เราก็กําหน ด, ดที่ขาใช่ไหมอันนี้มาที่แขนแทนวิธีการจะเหมือนกับการเดินทุกประการเลยนะมันทบทวนนิดหนึ่งนะจากคราวที่แล้วหนึ่งในที่นี้สิ่งที่เราใช้กําหนด หรือวัตถุที่เราใช้กำหนดนั้นเราจะมีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเรียกว่าอารมณ์กรรมาฐานนะอารมณ์กรรมาฐานต้องช่วยจารจำนิดหนึ่งนะวัตถุหรือสิ่งที่เราจะใช้กำหนดเนี่ยเราเรียกว่าอารมณ์กรรมาฐานอาการนึกหรืออาการะระลึกเราเรียกว่ า, เ ร, วานะเรียกว่าสตินะเรียกว่าสตินะเรียกว่าสติ อาการใจเราที่เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญน้อมใจมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สห็นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอาการอย่างนี้เราเรียกว่าเรียกว่าศรัทธานะศรัทธานะจำต้องอันนี้ต้องจําให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาวะทางด้านจิตใจนะแล้วอาการที่เราคอยพยายามนึกคอยพยายามกําหนดพอมาหลุดออกไปก็เด้งกลับมาหลุดออกไปก็เด้งกลับมา พยายามประคองพยายามรักษาจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นเราเรียกว่าเรียกว่าวิริยะนะ <c oughs> อาการเพียนอาการคอยกำหนดอาการคอยประคองจิตเราให้ต่อเ น, นื่องนะแต่จะเห็นว่าบางคนทำไปสักพักหนึ่งมันไม่ไอตรงนี้มันจะหายไปใช่ไหมทำแล้วชักเบื่อชักขี้เกียจนี่อาการอย่างนี้คือขาดวิริยะนะถ้าทำได้ดีนะถ้าทำได้ดีนะพอกำหนดได้ดี นะกําหนดไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดความสงบขึ้นในจิตใจนะอาการที่มันสงบไม่ซัด ส, สายไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้เราเรียกว่าสมาธินะเรียกว่าสมาธินะสติคือการอาการนึกหรื อ, อาการระลึกนะจําได้นะอันนี้ตบทวนคราวที่แล้วนะตบทวนคราวที่แล้วแล้วเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะรู้ว่าเมื่อจิตไม่สงบทําอย่างไรจึงจะสงบนะอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรความรู้อย่างนี้เราเรียกว่า เรียกว่าปัญญานะเรียกว่าปัญญาจะต่างจากฟังอัตมาแล้วก็เอาไปนั่งท่องจําใช่ไหมยังฟังอัตมาไปหอกถ้าเกิดรู้สึกอาการเบื่อหน่ายทอดแท้ให้เล้า ว, วิเรยะให้ตั้งใจมากขึ้นพอไปทำเขา้าจริงจริมันเบื่ อ, อจริงๆมไม่รู้จะเล้าอย่างไงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ตอนที่เราฝึกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจะเล้าอย่างไงแต่มีอุบายเยอะนะตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้เรียนในครั้งต่อๆไปอีกทีหนึ่ง ก, ก็แล้วกันวันนี้จะสอนในเรื่องของรูปแบบก่อนเพื่อที่ว่า เมื่อโยมกลับไปบ้านแล้วนโยมจะได้มีเวลาแล้วก็ฝึกไปด้วยฝึกไปด้วยเพื่อที่ว่าถ้าเริ่มฝึกกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยพอไปถึงขั้นที่สูงมากขึ้นมากขึ้นแล้วโยมจะได้ทําได้ต่อนเนื่องมากขึ้นแล้วก็จะได้สังเกตภาวะต่างๆของธรรมชาติได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาจะยังไม่ได้สอนเรื่องศีลก่อนแต่สอนเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติให้จิตสงบก่อนแล้วก็เรื่องเรื่องของศีลรายละเอียดต่างๆอาตมาจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง นะหลังจากที่สอนตรงส่วนนี้จบแนะเพราะว่าหลังจากตรงหลังจากเดือนนี้ก็จะแยกโยมไป็สองกลุ่มถ้าโยมมาใหม่ก็ต้องมานั่งสอนพื้นฐานกันอย่างนี้ทุกครั้งส่วนโยมที่มาเป็นประจําอาตมาจะให้ฝึกเลยหนึ่งชั่วโมงเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งอย่างละสิหนาทนะีถ้าทําได้ต่อนเนื่องแบบนี้เนี่ยจิตมันจะสงบที น, ะ น, นีพอจิตใจสงบเราจะฟังธรรมก็ตามคิดพิดจารณาเรื่องอะไรก็ตามหรือจะไปสังเกตธรรมชาติที่ละเอียดก็ตาม ก็จะทำให้เราสามารถสังเกตธรรมชาติที่รเหล่านั้นได้ง่ายเข้าใจนะอ้าวนะวิธีการที่อาตารมาจะสอนต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนั้นสอนเรื่องเดินทร น, นี้บาง ท, บางทีบางคนบอกว่าขาปวดเมื่อยเดินไม่ถนัดนะขออภัยนะอย่างโยมที่มีอายุเยอะๆเนี่ยบางทีเวลาเดินเดินช้าๆไม่ไดนะ้เวลาเดินต้องเดินเร็วนิดหนึ่งนะเดินเร็วก็ได้แต่ให้กาหนด แต่คนนี้บางคนบอกเดินก็ไม่ไหวเนื่องจากปวดข้อปวดหัวเขา่าหรือว่าไม่มีสถานที่งัแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัตินะเพราะมีวิธีการปฏิบัติคล้ายๆกับเดินแต่อาศัยพื้นที่น้อยกว่าก็คือการนั่งนะการนั่งในที่นี้นะเดี๋ยวอาตมาที่จะอาตมาจะสอนในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือจะให้กําหนดภาวะที่เป็นรูปร่างกลุ่มก้อน ที่มันแปลเปลี่ยนไปภาวะที่เป็นรูปร่างกลุ่มก้อนที่เราใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเรียกว่าปัทวีธาต้องช่วยกันจํานิดหนึ่งนะอาตมาไม่อยากใช้คําแปลเป็นภาษาไทยว่าธาตุดินนะเพราะว่าไป่ใช้คําแปลภาษาไทยพอนึกถึงดินเนี่ยเราเนื่องจิตถึงดินที่ปลูกต้นไม้แบบนี้ดังนั้นปัทวีธาต์จะไม่ใช่ดินแบบนั้นหมายถึงอาการภาวะ ที่เรารู้สึกเป็นรูปร่างกลุ่มก้อนแต่คราวนี้ถ้าเราจะนั่งทำยังไงมีวิธีการสังเกตได้หลายแบบหนึ่งใช้การเคลื่อนไหวของแขนมาช่วยสองไม่ต้องเคลื่อนไหวเลยดูที่อาการท้องหรือหน้าอกได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างอ้าวอาการเป็นยังไงปัทวีธานนี้เป็นคือภาวะยังไงเอ่ย เอาทบทวนนิดหนึ่งจาได้ไหมภาวะที่เป็นเป็นรูปร่างกลุ่มก้อนใช่ไหมเอาทบทวนนิดหนึ่งอา้าวลองยกมือขวาขึ้นมาแบบนี้ยกมือขวาขึ้นมาแบบนีนะ้อยู่ประมาณนี้พอแล้วนะแต่อตาตมาจะยกมือสูงนิดหนึ่งโยมจะได้มองเห็นโนะยมไม่ต้องยกสูงอย่างอตาตมานะอายกแค่เสมอตัวพอละจากนั้นลองขยับนิดหนึ่ง ขยับช้าๆนะอาแล้วคนนี้หลับตารู้สึกถึงรูปร่างของมืออยู่ใช่ไหมรู้สึกว่ามีมืออยู่นะคค่อยแบมือออกความรู้สึกต่างจากเมื่อกี้ไหมต่างนะภาวะที่เป็นรูปร่างกลุ่มก้อนเนี่ยนะยานึกเป็นภาคความรู้สึกเป็นยังไงคืออย่างนั้น นั่นถ้ายอมหลับตาจะสังเกตได้ดีที่สุดคันี้ยมก็ค่อยกำรร ม, มือเข้ามาช้าๆความรู้สึกเปลี่ยนไหมในขณะกำเปลี่ยนไหมเอ่ยเปลี่ยนนะตอนนี้กำรร ม, มือแล้วความรู้สึกตอนกำรรเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมตอนแบบเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอ่าคันนิยมก็ค่อยแ บ, บมือต่างจากตอนกำรรมเมื่อกี้ใช่ไหม เอา้าวล้วริมตาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้สึกที่เป็นสัมผัสทางกายอย่างนี้ไม่ใช้การจรินตนาการภาพใดๆทั้งสิ้นนะมันโยมไม่ต้องนึกเป็นภาพมือหรือรูปรู ป, ร, ป, ร, ปรูปร่างของมือไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทางกายนี่คือตบทวนของเก่านะคราวนี้ถ้าโยมนั่งจะทำอย่างไรถ้าใครรู้สึกม่า น, นั่งที่ไรหลับทุกทีอาตมาจะแนะนําให้โยมใช้การเคลื่อนไหวให้เยอะ เพราะว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้ไม่ง่วงถ้าเวลานั่งเราอยู่ที่บ้านก็ตามแต่ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของหัวเข่าหรือขาก็ตามหรือเดินเมื่อยแล้วยมจะมานั่งวิธีการจริงๆเรื่องท่าทางนี้ยมไปกำหนดเองได้นะขออภัย จิงๆแล้วเรื่องท่าทางนิยมไปกำหนดเองได้นะจะกาหนดท่าขึ้นมาเองก็ได้นะท่าที่อาจรมาให้นี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นให้เท่านั้นเองนะจะได้มีตุ๊กตานะจะได้มีแบบพิณหัดนะแต่นยมจะไปกําหนดท่าทางของโยมเองก็ได้นะแต่อย่าเอาให้ท่ามันแปลกประหลาดพิสดารมากนัะเอาที่มันง่ายๆที่มันสิมเปิลสิมลเน่ยที่มันง่ายๆหน่อยนะเราทําได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องจําอะไรมากนะวิธีการทําอย่างไร วิธีการเราจะกําหนดรูปร่างของแขนทั้งแขนเลยเมื่อกี้ให้กําหนดที่แค่ที่มือใช่ไหมแต่ในนี้จะกําหนดที่แขนทั้งแขนอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมากําหนดด้วยกันก่อนอายมวางมือไว้ที่หน้าตากอย่างนี้เห็นน ะ, จะเจริญพรจากนั้นเราจะเริ่มที่มือขวาก่อนอา ย, อยุมขยับฝ่ามือขวานิดหน่อยไม่ต้องยกหลับตาจะรู้สึกได้ชัดที่สุด รู้สึกทั้งมือขวานะอ้าวแล้วหยุดขยับจำความรู้สึกนี้ไว้นะยังรู้สึกอยู่หรือเปล่าไม่หยุดขยับยังรู้สึกอยู่นะอ้าวจากนั้นขยับที่แขนขวาแขนขวาทั้งแขนขยับนิดหน่อยช้าๆอนะย่าขยับเร็วขยับช้าๆรู้สึกได้ถึงแขนขวาไหมเอ่ย ขยับช้าๆรู้สึกได้นะรู้สึกถึงแขนขวาที่เป็นท่อนๆนะอ้าล่ะหยุดขยับคราวนี้ขยับหัวไหล่นิดหน่อยชา้าๆนะอย่าเร็วรู้สึกว่ามีหัวไหล่อยู่ใช่ไหมหยุดขยับอ่าคราวนี้กําหนดที่แขนขวาและฝ่ามือทั้งหมด ตรงไหนไม่รู้สึกให้ขยับนิดหน่อยชา้ชาๆเอาลนะหยุดขยับยังรู้สึกได้ถึงแขนขวาและฝ่ามือขวาอยู่ใช่ไหมอ่าต่อมามากำหนดที่ฝ่ามือซ้ายบ้างขยับชา้ชาๆ ขยับฝ่ามือช้าๆรู้สึกได้ถึงฝ่ามือนะหยุดขยับกำหนดให้สูงขึ้นมาที่แขนซ้ายทั้งแขนขยับช้าๆกางออกไปนิดหน่อยแล้วค่อยๆคุกเข้ามาช้าๆ รู้สึกได้ถึงแขนซ้ายที่เป็นท่นทอนใช่ัหมเอ่ยหยุดขยับหัวไหล่ซ้ายขยับนิดหน่อยช้าๆเอาละหยุดขยับเอาละครนิ้โยมลืมตาขึ้นมาได้พอจับความรู้สึกได้ั้มเอ่ย มีใครไม่ได้บ้างช่วยยกมือนิดหนึ่งได้นะอันนี้ไม่ยากนะคราวนี้ในเรื่องของรูปแบบทําอย่างไรเราจะคงไม่ได้นั่งขยับช้าๆอย่างนี้แหละนะในที่นี้อาตมาจะให้รูปแบบนะแต่นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจะต้องรูปแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกไม่ใช่นะความสําคัญอยู่ที่เรารู้สึกได้ถึงรูปร่างของแขนที่กําลังปิดในแต่ละขณะความสําคัญอยู่ที่ตรงนี้นะอ่าวิธีการทําอย่างไร อัตมาจะเริ่มต้นจากแขนซ้ายก่อนจริงๆจะเริ่มต้นจากซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้หนึ่งจับความรู้สึกที่แขนซ้ายรู้สึกถึงแขนซ้ายทั้งแขนจากนั้นก็ขยกแขนซ้ายขึ้นมายกขึ้นมาตรงๆแบบนี้ในขณะยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้รู้สึกถึงรูปร่างของแขนซ้ายทั้งแขนตอนแรกมันงอประมาณนี้ ขณะยกนี่มันจะงอ ม, มากขึ้นใช่ไหมฝ่ามือนั้นมันก็จะมีอาการเปลี่ยนไปใช่ไม่ใช่สังเกตภาวะที่เป็นกลุ่มก้อนรูปร่างนี้ที่กําลังเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่เรากำเมย์ยกพอแล้วจากนั้นหมุนเหมือนข้อมือขณะหมุนข้อมื อ, นมน อ, มอนเนี่ยสังเกตด้วยรูปร่างที่มันเปลี่ยนไม่ได้มองด้วยตาแต่ใช้ความรู้สึกหมุน หมนอย่างนี้เอาแค่แค่มือตั้งฉากแบบนี้พอจากนั้นพับกข้ามาหาตัวสังเกตรูปร่างของแขนทั้งแขนซ้ายที่เปลี่ยนพับจากนั้นแขนขวายกใหมย่ยกหมุนพับ จากนั้นแขนขวากลางออกกลางหมุนความือลงวางวางมือลงสัมผัสกับหัวเขาแขนซ้ายกลางออกใหม่กลางหมุนวาง ตอนนี้เริ่มต้นสลับบ้างมาเริ่มที่แขนขวาก่อนยกหมุนพับไม่ต้องรีบนะให้เรารู้สึกไว้รู้สึกไว้ทุกการเคลื่อนไหวเลยแขนซ้ายยกสังเกตรูปร่างที่เปลี่ยนหมุนพับ จากนั้นกลางแขนซ้ายเริ่มก่อนหมุนวางแขนขวาตามกลางหมุนข้อมือลงวางแล้วก็กลับมาที่แขนซ้าย เราจะทำอย่างนี้ซ้าไปซ้ามายากไหมจำยากไม่เอ่ยไม่ยากนะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานโยมสามารถฝึกได้ให้รู้สึกถึงรูปร่างของแขนที่กาลังเปลี่ยนเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งไม่ใช้จินตนาการนะไม่ใช้จินตนาการไม่นึกภาพให้รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกถึงสัมผัสทางกายอย่างเดียว อันนี้ไม่ยากใช่ไหมเอ่ยไม่ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือจะดีกว่านั่งกําหนดลมหายใจตรงที่ว่านั่งกําหนดแล้วมันจะไม่ง่งวงเพราะมันต้องเคลื่อนมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครนั่งกําหนดลมหายใจอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่า ง, ง่วงะให้มาใช้การเคลื่อนไหวแบบนี้ช่วยนะมันจะทําให้เราไม่ง่วงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนั่งอยู่ก็สามารถปฏิบัติได้นะนั่งอยู่ก็สามารถปฏิบัติได้นี้ถ้าปฏิบัติให้ดีกว่านั้น ถ้าเราอยู่ที่บ้านคนเดียวเราจะทําอะไรแขนหรืออวัยวะไหนจะเคลื่อนไหวก็ยมคอยกําหนดไว้รู้สึกถึงรูปร่างเดี๋ยวเพิ่งไปทําเร็วทํำช้าๆก่อนค่อยๆกําหนดไปหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เรากวาดบ้านค่อยๆกําหนดไปถ้าเราไม่รีบใช่ไหมค่อยๆกวาดรู้สึกถึงแขนที่กำลังค่อยๆกวาดไปแบบนี้ใจของเราก็จะอยู่กับ รูปร่างของแขนที่เปลี่ยนหรืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ปล่อยใจไม้กวาดบ้านไปในบางทีนึกเรื่องนู้นนึกเรื่องนี้อันนั้นมันฟุ้งซ่นใช่ไหมแต่ก็คือทําให้ช้าลงสักทีหนึ่งถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาให้โยมทําด้วยความโดยปกติแต่ว่ากําหนดไว้เหมือนกันแต่ไม่ต้องกําหนดละเอียดมากยากไหมเอ่ยวิธีนี้ยากไหมเอามีใครไม่เข้าใจบ้างไหมเอ่ย อันนี้การกําหนดอย่างนี้คือการ ก, การกาหนดรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะการกาหนดรูปร่างที่เปลี่ยนไปโยมใช้ได้หมดเลยในทุกอิรยาบทของโยมแต่ตรรมายังแนะนำว่าในตอนแรกอย่าเพึ่งไปกําหนดทุกอิรยาบทเลยทันทีไม่งั้นเครียดนะจังไว้เวลาทำกรรมฐานเนี่ยให้ทำแบบสบายๆและมีความสุขในการทำนะอย่าเร่งนะแล้วก็อย่าเพ่งมากเกิน ถ้ายมเร่งแล้วยมเพ่งมากเกินมันจะรู้สึกขึดนัดรู้สึกเครียดแล้วจิตใจจะไม่สงบถ้าจิตใจไม่สงบไม่มีความสุขแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเข้าใจนะอ่าถ้าเข้าใจอย่างนี้เมื่อคราวที่แล้วอาตมาได้บอกว่าจะสอนเรื่องของธาตุดินแล้วก็จะสอนอีกธาตุหนึ่งก็คือเรื่องของธาตุลมเรื่องของธาตุลมในการสังเกตแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวธาตุลมเอาไว้ก่อน จะให้โยมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะก็คืออาการของรูปร่างที่มันเปลี่ยนในขณะที่เรานั่งนะบางคนบอกโอยกหมุนภาพแบบนี้เมื่อยละหรือแม้แต่กระทั่งบอกไปทำที่ออฟฟิศครือไม่ทำอย่างนี้นะคนเห็นข้าง ห, หัวล็อกตายเลยนะทอยังไงดนะีมีวิธีการอีกนะอย่างเช่นบางทีโยมไปนั่งรอลูกค้าไปนั่งรอเพื่อนแทนที่จะปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดฟุ้งออกไปให้โยมมากาหนด กำหนดที่ไหนกำหนดดูรูปร่างของหน้าอกกับท้องที่มันกําลังเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดวิธีการเหมือนที่มือเหมือนกับการขยับของแขนแต่คราวนี้เราจะมาดูที่รูปร่างของลําตัวของเราซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอ้าวยมลองสังเกตนะอ้าวยมนั่งตัวตรงนิดหนึ่งนี่นั่งตัวตรงนิดหนึ่งอ่าคราวนี้ให้ยมลอง สังเกตมาที่หน้าอกเราเอาหายใจเข้าช้าๆหรื อ, อยาวก็ค่อยหายใจออกอย่าเพ่งนะไม่ต้องเพ่งมากนะดูแบบสบายๆยอมรู้สึกถึงหน้าอกกับท้องที่มันพองตัวขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงไม่เอ่ย มีใครไม่รู้สึกบ้างถ้าใครไม่รู้สึกให้หายใจให้ลึกกว่านั้นหายใจเข้าให้เต็มปอดรู้สึกถึงหน้าอกที่พองขึ้นไหมค่อยผ่อนลมหายใจออกมารู้สึกถึงหน้าอกกับท้องที่ยุบตัวลงใช่ไหมคราวนี้ให้โยมหายใจช้าๆแ ล, ล้วกยเยียวก่อน ให้เต็มปอดนะค่อยๆผ่อนลมหายใจลงมา ยมรู้สึกได้ถึงหน้าอกที่มันพองตัวขึ้นขณะหายใจเข้าไหมหน้าอกกละท้องที่มันแฟบลงเมื่อเราหายใจออกรู้สึกได้ไหมเอ่ยรู้สึกได้นะเราจะใช้หน้าอกกระท้องเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนที่มือขณะหายใจเข้ารู้สึกถึงรูปร่างของหน้าอกกระท้องที่มันเปลี่ยน เหมือนตอนที่เราแบมือใช่ไหมแบมือมือมันขยายออกพอกำมือเข้ามือมันก็หดลงนะักอกทองนี่ก็เหมือนกันหายใจเข้ามันพองตัวขึ้นหายใจออกมันยุบตัวลงรูปร่างเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะใช้ความรู้สึกไม่ใช้จินตนาการวิธีการในการสังเกตแบบนี้นักการสังเกตแบบนี้ สำหรับโยมที่ทำบางคนสังเกตไปเยอะๆบางทีมันอาจจะง่วงเพราะการเคลื่อนไหวมันน้อยกว่ามือนแต่ว่าโยมสามารถทำได้อยู่ตลอดใช่ไหมเพราะว่าลมหายใจนี้อยู่กับเราตลอดอันนี้เราเรียกว่าดูอาการของหน้าอกกับท้องที่มันกำลังพองแล้วก็มันก็ยุ บ, ยบตัวลงมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเมื่อในการนั่งเนี่ยเราอาจจะมาสังเกตหน้าอกกับท้องที่มันมีลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนคือพองตัวขึ้นยุบตัวลงแบบนี้ก็ได้ แบบนี้หนะ้า อ, อกกับท้องก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานของโยมโยมเลือกเอาถนัดแบบไหนแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก่อนสุดท้ายเดี๋ยวโยมต้องมาทําส่วนที่เหลืออยู่ดีสุดท้ายเดี๋ยวโยมต้องมาทําส่วนที่เหลืออยู่ดีอมีคําถามไม่เอ่ยอันนี้เอาแบบแรกก่อนดูแคเ่เรื่องของรูปร่างที่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นโยมมีโอกาสในการปฏิบัติไหมมีอยู่ตลอดนะยมไปนั่งรอใครหรือนั่งอยู่เฉยๆคนเดียวแทนที่จะปล่อยใจให้มันคิดฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่นยกแขนก็ได้นะยกหมุนพับกลางหมุนวางยกหมุนพับกลางหมุนวางหรือถ้าไปนั่งในที่ชุมชนไปทำอย่างนี้อายเขาดูที่หนะ้าอกกระท้องของเราไป รู้สึกถึงอาการที่มันพองตัวขึ้นยุบตัวลงตรงนี้มันจะได้ช่วยในการตรึงจิตของเราทําให้เราไม่มีลักษณะอาการที่มันชัดสายฟาุ้งซ่านคราวนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ปะกะติของคนนั้นเวลานั่งอยู่เฉยๆหรือเวลาอยู่คนเดียวเป็นยังไงมันจะคิดมันจะคิดออกไปสู่เรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใช่ไหมการคิดในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพอทำบ่อยๆทํามากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชิน กลายเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วจะต้องคิดขาที่มันจะฟุง้งจิตใจมันก็ไม่สงบการที่เราฝึกอย่างนี้คือการฝึกว่าเมื่อเราจะอยู่กับสิ่งใดเราสามารถทำใจให้สงบอยู่กับสิ่งนั้นได้อันนี้คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วยมลองสังเกตถ้ายมทำอย่างนี้เวลาอ่านหนังสือจะอ่านได้ทนมากขึ้นเวลาเราทำอะไรที่มันต้องซ้าๆเราจะทาได้ต่อเนื่องแล้วก็ได้นานมากขึ้น อันนี้คือข้อดีของการฝึกเพราะฉะั้นฝากให้โยมไปฝึกกันด้วยอ่าเพราะฉะนั้นในไหนเมื่อกี้ได้บอกรูปแบบแล้วเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันดูก่อ น, นะแต่ก่อนที่จะฝึกต่อนโยมบางท่านนั่งตอนนี้อาจจะเริ่มเมื่วไอ้ขาหรือขาชาแล้วนะาอาให้โยมลุกขึ้นนิดหนึ่งลุกขึ้นอจะเริยพอเริ่มค่อยๆลุกนะ คราวนี้เนื่องจากว่าเนื้อที่มีจํากัดนะแทนที่เราจะเดิ น, นเราจะใช้วิธีการยกแขนแท น, นะจะใช้วิธีการยกแขนแท น, นยกแขนแทนก็คือเหมือนกับตอนที่เรานั่งเนี่แหละแต่จะไปเปลี่ยนเป็นในเรื่องของแขนที่ยกหมุนแล้วก็พับกลางหมุนวาเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวนั่งเราจะจ ะ, จะลองให้โยมมานั่งกําหนดในเรื่องของอาการของรูปร่างของหน้าอกกับท้องที่แปลเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนนอ่า พร้อมนะเอายืนตัวตรงนะปล่อยร่างกายให้สบา ย, บายทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานแนะนําโยมว่าให้โยมพยายามน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามและคุณงามความดีเอาไว้เยอะๆะให้โยมตั้งใจว่าต่อไปนี้เรากําลังจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะด้วยการกําหนดนะด้วยการกําหนดเพื่อให้ใจเราสงบตั้งมั่นไปสมาธนะิด้วยการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นไปสมาธิ ตั้งใจให้ดีงามต่อไปนี้ทุกการเคลื่อนไหวคือความดีงามมีความสุขทุกการเคลื่อนไหวนะมีความสุขทุกการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอย่างที่กำหนดรู้ชัดเคลื่อนไหวด้วยใจที่สงบนะอานะตั้งใจให้ดีงามนะโยมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วในที่นี้อา้าวกำหนดที่แขนขวาก่อนนะเอาแขนขวานั้นวางไว้ที่ ที่หน้าขาเลยนะวางไว้ที่หน้าขาเอากำหนดแขนขวาก่อนนะทำใจให้สงบเอาละยกค่อยคอยยกแขนขวาขึ้นยกหมุนพับรู้สึกถึงรูปร่างที่เปลี่ยนนะแขนซ้าย โยกหมุนพับแขนซ้ายกลางไม่ต้องรีบนะหมุนวางไม่ต้องรีบนะรู้สึกถึงรูปร่างเอาไว้ แขนขวากลางหมุนวางคราวนี้มาเริ่มที่แขนซ้ายยกยกขึ้นตรงๆนะมือคว่าลงหมุนครับ แข้ขวายกหมุนภับแข้งขว า, ก, ข า, ขวากางหมุนวาง แขนซ้ายกางหมุนวางแขนขวายกหมุนพับแขนซ้ายยก มุนครับกลางมุนวางกลางมุน วางแขนซ้ายยกหมุนภับแขนขวายกรู้สึกถึงความสุขในใจด้วยนะหมุนภับ ทุกการเคื่อนไหวคือความดีงามมีความสุขทุกการเคื่อนไหวกางหมนุนวางกางหมนุนวางแขนขวา ยกมูนพับยกมูนพับกลางมู วางค้างหมุนวางอ่าคราวนี้ในการปฏิบัตินั้นให้โยมตั้งใจนะมีความสุขในการปฏิบัติในวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เกิดความสุขให้โยมยิ้มออกมาด้วยยิ้มออกมานิดๆรู้สึกถึงความสุขในใจของเราในทุกการเคลื่อนไหว เพราะว่าเวลาที่จิตใจเราสงบมีความสุขนั้นมันจะตั้งมั่นได้ง่ายนะอ้าวเดี๋ยวทําต่อนะแขนขวายกหมุนฮับยิ้มนิดๆออกมาด้วยนะรู้สึกถึงความสุขเอาไว้ยกหมุนฮับ ทุกการเคลื่อนไหวคือความดีงามมีความสุดทุกการเคลื่อนไหวกางหมุนวางกางหมุนวางแขนซ้ายยก หมนพรับอย่าลืมยิ้มนิดๆออกมาด้วยนะรู้สึกมีความสุขไว้ยกมุนภาับทุกความเคลื่อนไหวคือความดีงามกลางมุน สายโ ย, ย หมุนพาดแขนขวายกหมือ รู้สมีความสุบด้วยการ นิยมนั่งลงได้อ้าวเป็นยังไงบ้างเอ่ยพอได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้คราวนี้เมื่อนั่งลงอัตมาจะสอนในเรื่องของการนั่งนิดหนึ่งนะเริ่มจากท่านั่งก่อนเริ่มจากท่านั่งก่อนในเรื่องของการนั่งที่บอกว่าจะให้มานั่งปฏิบัติแบบนี้ ถ้าเราอยู่ที่บ้านมีเวลาพยายามฝึกนั่งขัดสมาธิเอาไว้แล้วถ้านั่งอย่างไรคือถ้านั่งที่เหมาะสมถ้านั่งที่เหมาะสมนั้นแนะนำให้นั่งขัดสมาธิแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับข้อหรือเขา่าจะนั่งกับเก้าอี้ก็ได้เรื่องของท่านั่งมีว่าอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไวาอย่างนี้ว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายไปสู่ป่าก็ตาม ไปสู่โคนไม้ก็ตามไปสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูบาลังตั้งร่างกายตรงดำลงสติมั่นเฉพาะหน้าเอาแค่นี้ก่อนวันนี้จะสอนวิธีการนั่งแค่นี้ก่อนหมายถึงอย่างไรไปสู่ป่าก็ตามไปสู่โคนไม้ก็ตามไปสู่เรือนว่างก็ตามก็หมายถึงไปในที่ที่เงียบสงบที่ที่ห่างไกลมีเสียงรบกวนน้อย นั่งคู่นลังนั่งคู่นลังก็คือการนั่งขัดตมานั่งคู่ขาเข้าหากันนั่นเองเราเรียกว่านั่งคู่นลัง <c oughs> ซึ่งการนั่งในลักษณะอย่างนี้มีอยู่ได้สามแบบด้วยกันอา้าวมียังไงบ้าง เ, าเดี๋ยวโยมลองดูนะ ถ้านั่งแบบที่หนึ่งขออภัยนะเพื่อที่โยมจะได้เห็นชัดถ้านั่งแบบที่หนึ่งนี้คือถ้านั่งที่ขาทั้งสองไม่เข้ามาขัดกันนะนั่งขาแบบขาทั้งสองไม่เข้งมาขัดกันพอมองเห็นไม่เอ่ยพอมองเห็นนะคือขาทั้งสองนั้นไม่เข้ามาขัดกัน ถ้านั่งแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ้วนตัวใหญ่แเมื่อทีขาทั้งสองไม่เข้ามาขัดกันเข้าไม่ทันก็นั่งแบบขาทั้งสองไม่ไม่เข้ามาขัดกันแบบนี้ก็ได้แต่ถามว่าทำไมต้องนั่งคูบันหลังนั่งเก้าอี้ไม่ดีกว่าหรือทำไมถึงต้องฝึกให้นั่งคูบันหลังแบบนี้ที่ฝึกให้นั่งคูบันหลังแบบนี้เพราะว่าถ้านั่งเก้าอี้โยมลองสังเกตนะ ถ้าโยมนั่งเก้าอี้เมื่อไหร่ระยะทางจากปลายเท้าถึงหัวใจจะสูงเทียบกับนั่งแบบนี้ระยะทางจากปลายเท้าถึงหัวใจนั้นจะน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งอา่าใช่ไม่ใช่โยมลองสังเกตคนที่นั่งเก้าอี้ดูสนะิหัวใจกับเท้าเนี่ยจะสูงนะจะห่างกันคราวนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็เมื่อเวลาที่เรานั่งเป็นระยะเวลานา น, า น, าน ถ้านั่งกันสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงยังไม่ค่อยเห็นปัญหาแต่บางคนนั่งนานสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้ปัญหาจะเริ่มเกิดเพราะว่าเวลาฝึกสมาธิจิตใจของเราพอมันสงบตั้งมั่นผ่องใสาอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือหัวใจจะเต้นชา้าลงอันนี้เป็นปกตินะไม่ใช่ผิดปกติเพราะร่างกายมันใช้พลังงานน้อยความดันเลือดนั้นจะต่ำตัวนั้นจะเย็นลง ถ้าใครเคยนั่งสมาธิจะรู้สึกวันที่อากาศร้อนๆตอนนั่งอยู่เรารู้สึกร้อนมันนั่งไปได้สักพักมันจะรู้สึกเย็นร่างกายมันจะรู้สึกเย็นลงความดันเลือดลดต่ำที่นี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือตรงนี้นี่แหละถ้าโยมนั่งกับเก้าอี้ระยะจากปลายเท้าถึงหัวใจมันสูงเวลาความดันเลือดมันต่ำเนี่ยเลือดที่มันสูบฉีดลงไปถึงที่ปลายเท้า มันจะสูบฉีดกลับมามาถึงหัวใจนี้มันยากคนที่ปรากฏก็คืออะไรเอ่ยเลือดมันก็จะไปค้างอยู่ที่เท้าคนนั่งนานๆเนี่ยมันจะทาให้เกิดอาการเท้าบวมได้ซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นกับคนที่นั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเคยได้ยินไ้ยเวลานั่งเครื่องบินแบบข้ามทวีปจะมีโรคประเภทหนึ่งก็คืออาการเท้าบวม บางทีเขาจะต้องมีเครื่องออกกําลังกายให้สําหรับบริหารอยู่ตลอดหรือไม่ก็ต้องให้ลุกขึ้นยืนหรือเดินบ้างแต่ว่าถ้าเรานั่งคู้บพลังแบบนี้ระยะจากปลายเท้าถึงหัวใจเนี่ยสั้นที่สุดแล้วไม่มีทางจะสั้นมากกว่านี้แล้วแม้ว่าเรายกขาเลือดมันก็ต้องไหลลงก่อนใช่ไหมเพราะจะถูกบังคับด้วยระยะของกระดูกสันหลังเพราะระยะแบบนี้แม้นั่งนานเท้าจะไม่บวมพเพราะเลือดมันจะไหลกลับมาได้ ไหลได้สะดวกอันนี้ถ้ามองในเชิงของการแพทย์การนั่งคู่บาลังหรือการนั่งขัดตามาธแบบนี้จึงเป็นท่าที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในกรณีที่เราจะนั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนนอ่านนะนี่คือเหตุผลนะเพราะในการนั่งคู่บาลังแบบนี้มีอยู่สามท่าด้วยกันหนึ่ง <1. S 1> นั่งแบบไม่ขัดหรือ ขัดเข้ามานิดหน่อยแบบที่คนไทยชอบนั่งกันคือแบบนีนะ้ขัดเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองพอมองเห็นไม่เอ่ยนะถ้ามองไม่เห็นนั่งเก้าอีก้ก็ได้นะข้างหลังนะขัดเข้ามานิดหน่อยแบบนี้นะถ้านั่งแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนั่งได้คนไทยนั่งได้ทุกคนนะข้อดีก็คือเป็นการนั่งคูบันลังแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือยมลองนั่งนะอาจจะไม่ขัด หรือขัดแค่ธรรมดาแบบนี้นะไม่ยกขึ้นมาควายนะไม่ยกขึ้นมาควายอยอโยมลองโยกตัวดูเป็นยังไงมันโยกเยกได้ง่ายหน่อยใช่ไหมมันจะโยกได้ง่ายนะมันจะยกได้ง่ายนี่คือข้อเสียนะขามไม่ขัดจริงนะขาหรือมันขัดเข้ามาได้หน่อยก็จริงแต่ว่าเวลาเราโยกตัวเวลานั่งเนี่ยถ้าเกิดตัวมันโยกจะมันจะโยกได้ง่ายนะอันนี้ถ้านั่งท่าแรก ท่านั่งทแรกท่านั่งท่าที่สองเราเรียกว่าท่านั่งปัทมาสนะมาจากคาว่าปทุมกับอาชนะนั่นแหละก็คือท่านั่งขัดท่านั่งแบบท่าดอกบัวคือขาขวาทับขาซ้ายยกขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายนะท่านั่งแบบนี้ข้อดีก็คือขาขวามันยกขึ้นมาขัด ข้านิยมลองโยกตัวดูใหม่เป็นยังไงเทียบกับเมื่อกี้ต่างไหมมันจะเหมือนมีอะไรกลัดดึงกับให้ร่างกายมันเข้ามาตรงกลางอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะขาที่ขัดกันนี่แหละมันจะทําให้เหมือนเป็นตัวดึงร่างกายเข้ามาอยู่ตรงกลางเอาลองเทียบดูก็ได้ลองนั่งแบบไม่ขัดซิครานิยมลองโยกการดึงมันจะน้อยใช่ไหมการดึงมันจะน้อย แต่ถ้าโยมยกขึ้นมาขัดการเดินร่างกายเข้ามาตรงกลางเนี่ยมันจะมากกว่าเหมือนตุ๊กตาลมลุกเลยดนั้นถ้านั่งท่านี้ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมนั่งนะแล้วก็จะนั่งได้กันได้เ ก, กืบทุกคนนะก็แนะนำว่าให้นั่งท่านี้ท้านั่งท่าที่สามเราเรียกว่าท่านั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งคนที่ไม่เคยฝึก คนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะนั่งไม่ได้มันนั่งยากเอาวิธีการเป็นยังไงคาสมาธิเพชรนั้นขาขวายกขึ้น ข, ขึ้นขัดขาซ้ายยกขึ้นขัดอีกทีหนึ่งนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ฝึกมันจะนั่งไม่ได้ถ้านั่งท่านนี้ท่านบอกว่าเหมาะที่สุด ถ้าใครนั่งได้ลองโยกตัวสิมันโยกไม่ไปเลยใช่ไหมมันจะโยกไม่ไปเลยเพราะว่าอะไรขาทั้งสองเนี่ยมันขัดกันเพราะขัดกันมันทําให้เป็นแรงดึงเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลานะมันโยกไม่ได้เลยนะมันโยกไม่ได้โยกไม่ไปนะยกไปข้างหลังมันก็จะดึงมาข้างหน้าใช่ไหมโยกมาข้างหน้ามันก็จะดึงกลับข้างหลังเรียกว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยถ้านั่งท่านี้ถ้าใครนั่งได้เหมาะที่สุดนะ แต่ว่ามันต้องฝึกหน่อยนะถ้าอายุเยอะๆแล้วมานั่งฝึกเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะฝึกนั่งสักหน่อยนะนั่งแล้วก็บริหารสักหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเพียงแค่ท่าท่านั่งปฐมาสนะก็พอนะถ้าใครฝึกท่านั่งนี้ได้ท่านั่งนี้จะมั่นคงมากที่สุดะท่านั่งนี้จะมั่นคงมากที่สุดเอานะอันนี้อย่างแรกในเรื่องของท่านั่งนะมีคําถามไหมเรื่องของท่านั่งไม่มีนะแต่ถ้าโยมมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องหัวเข่า โยมนั่งกับเก้าอี้ได้นะแต่นั่งกับเก้าอี้นั้นอย่านั่งเกินกว่าสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนะเพราะถ้านั่งเกินกว่านั้นอาการอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่ท่านั่งปัทมาสนะเท่านั้นพออได้นะถ้านั่งปัทมาชนะแบบนี้คราวนี้ท่านั่งแบบนี้บางคนนั่งแล้วมันปวดหรือมันชา ง, ง่าย ให้โยมขยายฐานขาให้กว้างออกมานิดหนึ่งมันจะช่วยได้นะอย่านั่งแบบขาพุ่เข้ามาเยอะนะบางคนนั่งหักขาหับเข้ามาเยอะแบบนี้มันอาจจะเป็นเหน็บชาดได้ง่ายให้ขยายขยายฐานขาออกมาให้กว้างนิดหนึงนะ่งมันจะช่วยได้ในระดับหนึนะ่งเลยจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้เรื่องของท่านั่งคราวนี้เวลานั่งนะบางคนบอกว่านั่งอย่างนี้แล้มันไม่ถนัดนั่งแล้วขามันงอขึ้น นั่งแล้วมันคอจะหายไปข้างหลังนะวิธีการทําอย่างไรนะอันนี้ให้โยมดูก่อนนะดูก่อนนะเป็นวิธีการบริหารอย่างหนึ่งนะเป็นวิธีการบริหารอย่างหนึ่งถ้าโยมอยากจะนั่งสมาธิให้ได้นานๆนะทําให้ไม่ปวดหลังง่ายแล้วก็ไม่เกิดเหน็บชาง่ายให้โยมลองบริหารแบบนี้นะอย่าเพิ่งทํานะเดี๋ยวอาตมาทําให้ดูก่อนนะอันนี้มันจะช่วย ช่วยทําให้บริเวณข้อข้อต่อตรงเนี้ยมันยืดตัวได้ง่ายนะวิธีการโยมนั่งประสานมือแบบนี้นั่งประสานมือแบบนี้ประสานมือเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะจากนั้นเราจะทําคล้ายๆกับพวกโยคะนะที่ฝึกโยคะหายใจเข้าช้าๆลึกๆพร้อมกับยกมือขึ้นแล้วเหยียดตัวให้สุดนะอย่างนี้นะหายใจเข้า เกยรตตัวให้สุดจากนั้นก้มตัวลงให้ต่ำที่สุดเพราะกับหายใจออกขะแมวท้องก้มล ง, งต่ำที่สุดเนกระถางสีสันสดหืด้นจากนั้นยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกลดมือลอง อ่าลองดูใหม่นะพอดีทําไปพร้อมกันแล้วเนาะไม่เป็นไร <c oughs> อ้าลองดูลองดูเอาใหม่หนึ่งสองสามหาใจเข้าคิดตัวขึ้นหาใจออกเขาแหวพร้อมท้อง้องให้ตึงทห้ตึงเลยหายใจเข้า ได้ไหมโยมฝึกอย่างนี้นะไม่ได้ตอนอ๋ไไอไม่เป็นไรแรกๆเนี่ยมันยังไม่ยืดหยุ่นมันจะก้มลงไปได้ไม่ถึงแต่พยายามก้มนิดหนึ่งการฝึกอย่างนี้มันจะช่วยทำให้เกิดการยืดหยุ่นแล้วเวลานั่งเนี่ยเราจะยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาธแบบนี้ง่ายเลย มันจะช่วยทําให้บริเวณข้อต่อตรงเนี้ยมันยืดหยุน่นะข้อต่อตรงนี้มันยืดหยุ่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าแหม่กลัวว่ามันจะเป็นเนบชา ง, ง่ายก่อนนั่งพอยมนั่งเสร็จปุ๊บให้ยมก้มตัวลงนิดหนึ่งนะหรือไม่ก็ให้เอามือเนี่ยยืดออกไปเลยให้ศรีรษะ จ, จดพื้นยกยกก้นขึ้นนิดหนึ่งอย่าลืนเลื่อนไปข้างหลังนิดหนึ่งนะ กลมตัวแล้วก็ยกต้นดนแล้วเลื่อนตปข้างหลังนิดหนึ่งแล้วครนี้นั่งถ้าอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยมันจะนั่งแล้วรู้สึกสบายนะอันนี้ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของข้อต่อนะอันนี้คือเรียกว่านั่งคูบันหลังนะเราเรียกว่านั่งคูบันหลังครนี้นอกจากนั่งคูบันหลังแบบนี้อย่างที่สองตั้งร่างกายให้ตรงคือหลังให้ตั้งตรง น, นี่เวลาปกติเราเนี่ยหลังเนี่ยจะตั้งตรงไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้นั่งนั่งปุ๊บหลังมันจะงออย่างนี้ทันทีเลยถ้านั่งหลังงอแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกื้อกูลเพราะว่าอะไรหนึ่งน้ำหนักมันจะลงบริเวณข้อเยอะมันจะกดทับทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วนั่งนานๆเนี่ยระวังเรื่องของกระดูกสันหลังมันจะมีปัญหาปัญหา แต่ถ้าหน้ากายเราตั้งตรงแบบนี้น้ำหนักจะลงในแนวของกระดูกสันหลังเสมอกันมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกมันไปทับเส้นประสาทหรืออะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลานั่งพยายามนั่งหลังให้ตรงเอาไว้จะดีที่สุดนะนั่งหลังตรงแบบนี้แต่ลองโยมลองนั่งหลังตรงวิธีการทำยังไงหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดท้องท้องยุบหน้าอกพองยืดตัวขึ้น เขาให้ผ่อนออกมาเอามาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดตัวขึ้นผ่อนลมหายใจออกมาเอาอีกสักครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนิดหนึ่งผ่อนลมหายใจออกมาเอาละประมาณนี้ใ ห, ห้หลังนั่งตั้งตรงแบบนี้ แต่พอนั่งแบบนี้สักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกปวดบริเวณข้อพับตรงนี้ใช่ไหมใช่มันจะเกรง็งเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยได้นั่งกันวิธีการแก้ไขทำอย่างไรสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆ ใ, ให้หาหมอนเล็กๆหรือผ้าห่มพับให้หนาๆแล้วมาลองวาที่ก้นในที่นี้เนื่องจากไม่มีหมอนเพราะฉะนั้นให้โยมลุกจากอาสนะแล้วเอาอาสนะนั้นมาพับครึ่ง อ้าลุกขึ้นเลยจเจริญพรนะลุกขึ้นจากอาสนะเลยนะลุกขึ้นจากอาสนะอะคนที่มีอาสนะสีแดงนี่เอามาพับครึ่งก่อนพอพับครึ่งเสร็จแล้วให้พับสามส่วนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวโยมผู้ชายอาตมาขออาสนะนิดหนึ่งอ่านั่นแหละเจริญพรโยมดูนะพับครึ่งแบบนี้จากนั้นให้พับเข้ามาเป็นสามส่วนหรือสี่ส่วนแบบนี้ให้หนานิดหนึ่ง ถ้าคนที่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ให้พับสี่ส่วนเลยนะให้โยมพับสี่ส่วนพับครึ่งเข้ามาพับเป็นสี่ส่วนแบบนี้ให้หนาเลยนะพับสี่ส่วนให้หนาแบบนี้เลยนะจากนั้นให้รองไว้ที่ก้นกบขาเท้านั้นไม่เอาไว้บนอาสนะนะให้โยมนั่งทับเลยนะลองเฉพาะที่ก้นอย่างเดียวอา่าให้นั่งทับเลยนะรองไว้ที่ก้น อ้าคราวนี้โยมลองนั่งขัดตสมาคราวนี้ยืดตัวขึ้นอ้าเป็นยังไงคราวนี้เป็นยังไงบ้างสบายเลยใช่ไหมคราวนี้นั่งหลังตรงนี่สบายเลยอันนี้เป็นเรื่องของการปรับนปรับในเรื่องของท่านั่งนะเพราะั้นถ้าใครจะนั่งสมาธิเนี่ยพยายามฝึกอย่างนี้เอาไว้นั่งหลังให้ตรงไว้แบบนี้แล้วเราจะนั่งได้นานนั่งได้ทนนแล้วก็มันจะไม่ปวดขาแล้วก็ไม่ปวดหลังด้วย นะอันนี้จะมีส่วนเยอะเลยนะอันนี้เรื่องของท่านั่งนะนี่นั่งคูพลังแล้วก็ตั้งร่างกายตรงนะตั้งร่างกายตรงมือทั้งสองทำอย่างไรมือทั้งสองนั้นพยายามวางให้สมดุลทั้งสองข้างโยมอาจจะวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองก็ได้วางไว้อย่างนี้ก็ได้บางคนถนัดแบบนี้ก็วางแบบนี้แต่โดยปกติแล้วจะแนะนำให้วางไว้ที่หน้าตัดโดยเอามือขวาทับมือซ้าย นิ้หัวแม่โป้งแนบชิดติดกันเบาๆโยมลองสังเกตนะนั่งแบบนี้เนี่ยมือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันจะได้ได้ดุลกันพอดีใช่ไหมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสองข้างเนี่ยซ้ายขวาจะเหมือนกันเลยจากนั้นวางไว้ที่หน้าตัก ด, ดึงเข้าหาลําตัวเล็กน้อยแขนทั้งสองไม่กลางออกแต่หุบเข้าหาลําตัวเล็กน้อยไม่ต้องเกร็งนะนั่งแบบสบายสบาย ตอนนี้มือทั้งสองนั้นจะเป็นตัวช่วยในการพยุงร่างกายนอกจากกล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแล้วก็จะมีมือทั้งสองนี้ช่วยในการพยุงร่างกายนี่คือท่านั่งนะถ้ายมอยู่ที่บ้านพยายามฝึกนั่งแบบนี้เอาไว้จากนั้นมากําหนดที่ลมหายใจกําหนดที่ลมหายใจในที่นี้นให้ดูรูปร่างของหน้าอกกับท้องที่มันเปลี่ยนอ้าวลองสังเกตดู อา้าทำใจให้สงบนะเริ่มต้นนั้นให้โยมหายใจเข้าช้าๆเลึกๆยาวๆก่อนหายใจเข้าให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจออกรู้สึกสดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจเข้าสดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจออกให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานมีความสุข ให้รู้สึกถึงความสว่างที่ศรีรษะเอาไว้นะหายใจช้าๆลึกๆยาวๆาคราวนี้ให้โยมมาสังเกตแต่อย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเมื่อไหร่โยมจะอึดอัดนะเพราะฉะนั้นอย่าเพ่งนะหายใจช้าๆลึกๆยาวๆสังเกตที่หน้าอกกับท้องสังเกตดูรูปร่างของมันที่มันกําลังเปลี่ยน มันพองตัวขึ้นขณะหายใจเข้ายุบตัวลงในขณะหายใจออกหายใจใช้าๆและลึกๆยาวก่อนนะให้รู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความดีงามทุกครั้งที่เราสังเกตอาการของหน้าอกและท้องที่มันพองตัวขึ้นหรือว่ายุบตัวลง ดูแบบสบายๆเหมือนเรามองดูต้นไม้เวลาโดนลมพัดนะนะไหวไปซ้ายไหวไปขวาในที่นี้หน้าอกกับท้องเราก็เหมือนกันลมพัดเข้ามามันก็พองขึ้นพัดออกไปมันก็ยุบตัวลงสังเกตรูปร่างของมันที่กำลังเปลี่ยน ขณะสังเกตนั้นสังเกตไ ด, ด้วความสุขทุกลมหายใจคือความดีงามมีความสุขในทุกลมหายใจ นี้ในขณะที่นั่งให้ยมยิ้มออกมาเล็กน้อยด้วยรู้สึกถึงความสุขในทุกครั้งที่เราลองดูอาการของร่างกายที่กำลังเปลี่ยนสภาพทุกขณะที่เราสังเกตได้คือความดีงามอาการนึกหรืออาการระลึกนั้นคือสติใจที่สงบคือสมาธิให้มีความสุขในการสังเกตตอนนี้โยมไม่ต้องบังคับลมหายใจ ปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติสังเกตที่หน้าอกกับท้องสังเกตรูปร่างที่เปลี่ยนอย่างเดียวยิ้มออกมาเล็กน้อยนะแล้วรู้สึกถึงความสุขในใจในขณะที่สังเกตไปด้วย ถ้าใครรู้สึกง่วงให้รู้สึกถึงแสงสว่างที่ศรีรษาให้เยอะๆเหมือนมีไฟสปอตไลท์มาส่องที่ศรีรษะของเรารู้สึกถึงความสว่างเยอะๆถ้าใครรู้สึกว่าคุยกับตัวเองเยอะให้โยมใช้คำพูดมาคอยกํากับหายใจเข้าจะใช้คำว่าพูดหายใจออกคำว่าโทรก็ได้ หรือหายใจเข้าจะใช้คำว่าพองหายใจออกใช้คำว่ายุบก็ได้เราจะได้ไม่คุยกับตัวเองเรื่องอื่นดูแบบสบายๆนะสังเกตอย่างมีความสุขคอยสังเกตแค่แครูปร่างที่มันเปลี่ยนเท่านั้นเองคอยประคองจิตเอาไว้ใช้วิริยะคอยประคองจิตเอาไว้ ยิ้มออกมานิดนิดรู้สึกถึงความสุขในใจในขณะที่สังเกต หายใจช้าๆเลึกๆยาวๆหายใจเข้ารู้สึกเปิดปานมีความสุขหายใจออกเวิดปานมีความสุข จะเด่นพออ้าลืมตาขึ้นมาได้อ้าวเป็นยังไงบ้างอึดอัดไหมเวลานั่งมีใครอึดอัดบ้างมีใครรู้สึกเมือนั่งแล้วรู้สึกมันลมหายใจมาติดขัดหรืออึดอัดบ้างไหมช่วยยกมือด้วยนิดหนึ่งจะได้บอกแล้วมีหนึ่งท่านนะอ่าที่อึดอัดนี้เพราะว่าโยมเพ่งมากเกินไปหรือเปล่าพยายามไปจ้องมันให้ชัดหรือว่ายังไงเอ่ย หรือว่าเป็นภาพมันฟุง้อ ง, อ, อ, อ, งอ๋ออ๋ อ, จ <c oughs> อจเจริณพรไม่ต้องไปกังวลนะมันจะเข้าออกแค่ไหนก็แค่นั้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งแบบสบายๆให้รู้สึกมีความสุขเราดูของเราไปเรื่อ ย, อยสังเกตไปเรื่อยๆความอึดอัดแบบนี้มันจะค่อยๆหายไปเองะเจริณพร ม่ใครนั่งแล้วรู้สึกคิดเยอะแล้วฟุ้งเยอะบ้างมีไหมกี่ท่านเอ่ยอันนี้เป็นส่วนใหญ่น ะ, จะเจริณพรเราต้องบอกว่าไอ้เรื่องความคิดเรื่องอาการที่มันปดขึ้นมาแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอย่าไปกังวลใจกับมันนะที่สําคัญก็คืออย่าไปพยายามห้ามมันไม่ให้คิดหรือเมื่อมันคิดแล้วพยายามหยุดคิดถ้ายอมไปฝืนแบบนั้นนะเวลานั่งแล้วยมจะยิ่งอึอดอัด แล้วก็จะเครียดเลยวิธีการอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเรื่องของมันนะมองมันเหมือนวิวข้างทางเมื่อเราเวลาขับรถก็จะต้องเห็นวิวข้างทางผ่านเข้ามาใช่ไหมสังเกตมันเหมือนวิวข้างทางาเออความคิดมาอีกแล้วเอากลับมากลับมาดูที่อาการของหน้าอกและท้องนะรูปร่างที่มันเปลี่ยนขณะที่พองตัวในขณะที่ยุบตัวลงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันจะคิดเรื่องของมันให้เราเข้ามาจดจอ่อ อยู่กับอาการของหน้าอกกับท้องที่มันพองระยุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราทำไปเรื่อยๆแบบนี้จิตใจมันจะเริ่มค่อยๆสงบและความคิดนั้นมันจะหายไปเองแต่ถ้ายมไปกังวลว่ากลัวมันจะคิดเมื่อไหร่มันจะเลิกคิดนั่นแสดงว่ายมกาลังคิดถึงมันอยู่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ยอมนึกถึงมันอยู่คิดถึงมันอยู่มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็นพร ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแล้วก็มาดูอาการมันพองยังไงมันยุบยังไงเราก็ทำไปเรื่อยๆย่อมไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแยกแต่อย่าไปสนใจมันเลยกลับมาให้รู้สึกที่หน้าอกกับท้องอย่างเดียว ตอนนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันนะกลับมาที่นะัาออกท้องแล้วค่อยสังเกตไปเรื่อยๆถูกต้องใช่ก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจความคิดนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจเล ย, เลยกลับมาที่ความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกถึงรูปร่างที่มันกําลังเปลี่ยนอาการของมันที่พองตัวยุบตัวไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะมีแวบเข้ามาเรื่อยๆแวบเข้ามาเรื่อยอันนี้เป็นเรื่องอาการธรรมชาติยังไม่ต้องไปสังเกตตอนนี้เดี๋ยวเวลาเหตุปัจจัยพร้อมมันจะเกิดขึ้นมาเองนะจะเรียนพอเพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นสังเกตอารมณ์กรรมฐานไปเรื่อยๆพอใจเรามันอยู่กับอารมณ์การทำกรรมฐานได้ดีมากขึ้นดีมากขึ้นมันจะค่อยๆสงบแล้วตอนนั้นนี่ยมันสงบเองเลยมันไม่ใช่สงบเพราะว่าเราคิด แต่สงบเพราะว่าเราทำทำเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจะสงบขึ้นมาเองจะเป็นพอ่อเปลี่ยนได้ได้ไ ด, ได้อันนั้นสามารถเปลี่ยนได้นะเมื่นั่งปกตินะแล้วก็ให้โยมนั่งไม่เกินสิบห้านาทีในช่วงแรกนะปรกติสิบห้านาทีจะยังไม่ชามากนะอย่างเมื่อกี้นี้เรานั่งกันเราได้สักสิบห้านาทีไดนะ้โดยประมาณ ก็จะเห็นว่ามันจะยังไม่ชามากพอทนไหวนั่งแล้วพอรู้สึกประมาณครบสิบห้านาทีหรือขามันเริ่มชาเปลี่ยนอายาบทลุกขึ้นมายืนดูที่แขนก็ได้หรือค่อยๆ่อยลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาอย่างที่สอนไปเมื่อคราวที่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันถ้ายมทำอย่างนี้ได้เป็นยังไงเอ่ยใจมันจะจดจอ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ต่อเนื่อง โยมจะทำสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมเดินสิบ้านาทีมานั่งสิบห้านาทีลุกขึ้นไปเดินอีกสิบห้านาทีกลับมานั่งอีกสิบห้านาทีใจมันก็จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมาฐานมันก็จะช่วยรักษาจิตให้เราสงบอยู่กับสิ่งนั้นแต่คนนี้ในการปฏิบัติช่วงแรกๆต้องบอกว่าเป็นธรรมชาตินี่เล่าให้ฟังไว้ก่อนสําหรับโยมที่ปฏิบัติใหม่ๆมันจะเป็นธรรมชาติที่พอเริ่มกําหนดปุ๊บมันจะมีความคิดวิ่งเต็มไปหมดเลยนะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเป็นเหมือนกันเมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปกังวลกับมันนะกลับมาที่อารมณ์กรรมาฐานถ้าเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวในแง่ของรูปร่างของแขนที่เปลี่ยนดูรูปร่างของแขนเป็นเรื่องของการเดินรูปร่างของขาที่เปลี่ยนถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแบบนี้เป็นเรื่องของหน้าอกนัทแล้วก็ท้องนะรูปร่างของมันที่กําลังเปลี่ยนเรากลับมาดูตรงนี้ไปเรื่อยๆ มันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นช่างมันดูมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิวข้างทางไม่ต้องไปกังวลกับมันมันจะคิดเรื่องของมันฉันกลับมากําหนดเขาไปเรื่อยๆกําหนดของฉันไปเรื่อยๆแบบนี้พอเรากําหนดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้อาการที่คิดพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราอยากให้มันหายหรือเราเนืกให้มันหายแต่เพราะว่าเราวางมันเราไม่ไปใส่ใจกับมันไอ้พวกนั้นจะหายไปเอง แต่ถ้ายอมไปกังวลกลัวจะคิดเมื่อไหร่จะเลิกคิดถ้าอย่างนั้นยิ่งอยู่แล้วก็จะเป็นมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เวลานั่งเนี่ยอย่าไป น, นึกว่าฉันจะต้องเอาชนะมันนะถ้าฉันจะต้องเอาชนะมันคือโยมแพ้มันเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะเพราะตอนนั้นโยมไปทําทําอะไรกับมันแล้ว <c oughs> ก็เป็นนึกถึงมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องนึกถึงมันเลยทิ้งมันไม่ต้องนึกถึงมันกลับมาที่อารงกรรมฐ า, านแล้วเราก็ ทำของเราไปได้เรื่อยแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไม่เริ่มกำหนดอาการคิดจะเริ่มเกิดนะแล้วก็ตอนที่เรากำหนดใหม่ๆนะตอนที่เรากาหนดใหม่ๆพอความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเราจะลืมเราเรียกว่าขาดสติเนี่ยลืมลืมว่าตอนนี้เราควรจะทำอะไรแล้วเราจะไปยุ่งกับความคิดหรือคิดตามมันพอคิดตามมันคนนี้ก็หายไปเลยใช่ไหมไม่รู้สึกแล้วนะ อาการหน้าอกกับท้องที่มันยุบพองหรืออาการขึ้นไหวของมือหรือแม้แต่กระทั่งตอนเดินไม่รู้สึกถึงเรื่องของรูปร่างของขาที่กำลังเปลี่ยนแล้วมันก็ไปกับความคิดอาการที่ไปแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าขาดสติลืมไม่ได้นึกหรือไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่ควรกำหนดในขณะนั้นๆอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการขาดสติละแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรานึกได้ระลึกได้ เออเราต้องกลับมากําหนดอยู่ดูที่การเคลื่อนไหวดูที่รูปร่างที่เปลี่ยนนี่พอนึกได้อย่างนี้เป็นยังไงแล้วก็จะกลับมากําหนดใหม่ก็มีสติใหม่เราก็ต้องค่อยกลับมากําหนดแต่ขณะกลับมากําหนดใหม่นั้นสติมันยังไม่เข้มแข็งการนึกหรือการระลึกนะั้นมันยังไม่เข้มแข็งพอมันก็จะเห็นว่าจะมีความคิดเกิดขึ้นพร้อมกับการที่เรานึกหรือระลึกถึงอารมณ์กรรมาฐานด้วยนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติฝึกช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้ บางคนฝึกช่วงแรกเนี่ยเวลาหายไปทีหายไปนานนะกว่าจะนึกได้ทีมันนานหน่อยะบางทีนั่งสิบห้านาทีคิดเยอะไหมคิดไม่เยอะนับได้ไมันได้นะนึกออกไปแค่สามครั้งสี่ครั้งเองนประมาณสามถึงสี่ครั้งเองนประมาณสี่ครั้งนั่งสิบห้านาทีออกไปสี่ครั้งนี่ฟุ้งเยอะไหมไม่เยอะเนาะจําได้สี่ครั้งแต่หายไปนานเท่าไหร่หายไปครั้งละสามนาที คือแค่นาทีแรกกับนาทีหลังที่รู้ตัวก่อนเลยนั่นเองนะ <c oughs> แรกแรกบางคนเป็นอย่างนี้นะพอนึกขึ้นมาเสร็จมันไปเลยมันเพลินเล ย, ยลืมไปเลยว่าตัวเองกําลังน้นถึงเรื่องอะไรนะก็จะพึ่งไปเทาะทําทไปเรื่อยๆพอยมทําไปเรื่อยๆยมอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมยิ่งทําตอ น, น, นแรกๆมันแค่สามสี่ครั้งตอนนี้เป็นสิบครั้งเลยนะนั่งครั้งหนึ่งพอนั่งนานเข้านานเข้าหรือทําบ่อยเข้าบ่อยเข้า โอมันคิดเยอะเลยการไม่ใช่เป็นสิบนะเป็นยี่สิบครั้งเลยเป็นยี่สิบสามสิบครั้งเลยโออย่างนี้สงสัยไม่ได้ก้าวหน้าซาตตมัง่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะโยมลองสังเกต ด, ดูให้ดีนะความก้าวหน้ามันจะเป็นอย่างเนี้แรกๆเนี่ยเราจะลืมบ่อยพอลืมหลุดแล้วมันลึกไม่ได้แต่ครั้นี้พอทํำบ่อยๆครั้นี้สติมันจะเริ่มจับได้มั่นคงมากขึ้นพอมันออกปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวปั๊บเลย พอออกไปปุ๊บมันออกไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองบางทีออกไปได้แค่ไม่ถึงห้าวิหรือสิวิมันรู้ลกรู้แล้วก็ดึงกลับเผลอนิดหนึ่งออกไปใหม่ดึงกลับมาใหม่เผลอนิดหนึ่งออกไปใหม่ดึงกลับมาใหม่เนี่ยพอนั่งไปได้สักระยะหนึ่งถ้าเราทําต่อเนื่องเราจึงเริ่มรู้สึกว่าเฮ๊ะทำไมรู้สึกมันคิดเยอะมันเึ่งเริ่มจับได้ไ ง, ไงอันนี้แสดงว่าสติเราเริ่มจับได้มั่นคงมากขึ้น มันจึงสามารถสังเกตได้ตอนที่มันแวบออกไปพอแวบปุ๊บรู้แวบปุ๊บรู้แวบปุ๊บรู้รมันจึงรู้สึกว่ามันคิดถี่ผิดกับตอนแรกใช่ไหมตอนแรกในสติมันไม่ค่อยจะมีกําลังเท่าไหร่จับไม่ค่อยได้พอออกปุ๊บมันหายไปเลยหายไปนานนะ่ะคิดเพ้อฝันเลื่อนลอยไปนานกว่าจะรู้สึกตัวอีกถึงอ้าวหายไปแล้วค่อดึงค่อยดึงกลับมานะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง โยมจะเริ่มเห็นอาการว่าสติมันจะเริ่มจับได้เร็วขึ้นคิดปุ๊บรู้ปัป๊บคิดปุ๊บรู้ปัป๊บแต่ว่าอาการคิดเราจะเห็นว่าเอ๊ะทาไมรู้สึกมันคิดเยอะมากขึ้นมากขึ้นจริงๆไ ม, ไม่ได้เยอะมากแต่เพราะสติมันเริ่มมีกําลังและจับได้ทันนะนัถ้าเกิดอาการอย่างนี้โยมอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปนึกท้อใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะว่าสติเราเริ่มมีกําลังแล้วมันเริ่มจับมันเริ่มทันละ มันเรื่องไหวพอที่จะจั บ, จบอาการพวกนี้แล้วมันต้องจับได้ทานเนี้ยนั่งสิบห้านาทีบางทีมันจับได้ตั้งห้าสิบครั้งดีกว่านั่งช่วงแรกจับได้แค่สี่สี่ห้าครั้งนะที่เหลือหายไปนานเลยใช่ไหมใช่นะเพราะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ก็อย่าเพิ่งเลิกทำต่อถ้าโยมทำต่อคราวนี้อาการที่วิ่งออกไปมันจะค่อยๆลดลง ในช่วงที่สองนี่มันอาหาอาจจะเอถึงสามสิบสิบครั้งในในการนั่งสิบห้านาทีแต่พอนั่งนานไปมากกว่านั้นมันจะค่อยๆลดเองนะแวบออกไปนิดเดียวกลับมาแล้วก็นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานแวบออกไปนิดเดียวรู้ตัวกลับมาแล้วก็นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานไปได้เนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงมานี่เป็นตอนที่สามนะเป็นขั้นที่สาม ดีขึ้นไปกว่า น, นั้นคราวนี้จะเริ่มแนบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานละต่อคราวนี้ถึงจะฟุ้งออกไปน้อยเนี่ยแหละสมาธิจึงจะเกิดขึ้นหรือความสงบจึงจะเกิดขึ้นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปท้อนะบางคนเวลานั่งใหม่ๆบอกโอ้มันคิดเยอะเหลือเกินะไม่รู้ตัวไม่รู้สึกไม่รู้เลยว่าตัวเองมันฟุ้งซ่านขนาดนี้แสดงว่าขนาดนั้นเนี่ยสติมันเริ่มจับทันแล้วดีกว่าเมื่อก่อนที่เราไม่รู้เลยว่าเราฟุ้งซ่านใช่ไหมใช่ นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเลิกให้ทําต่อไปให้ต่อเนื่องนะแล้วความสงบมันจะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นมาเองเหตปัจจัยพร้อมมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองเมื่อสติเราจับได้ทันแล้วก็ตามได้ทันนะอ้าวมีคําถามไม่เอ่ยออย่าให้หลับนะอย่าให้หลับนะในในการปฏิบัติตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนั้นก็คือการขาดสติอย่างหนึ่งนั่นเอง วันอัตมาแนะนํานิดหนึ่งถ้าใครทําแล้วรู้สึกง่วงให้โยมเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวของมืออย่าไปดูแค่ยุบพองถ้าไม่ไหวจริงๆให้เปลี่ยนมาเป็นที่การเคลื่อนไหวหรือไม่ก็ลึกขึ้นแล้วก็เดินมันจะหายง่วงอย่างที่สองแนะนําโยมนะแนะนําโยมในการปฏิบัตินิดหนึ่งถ้าใครนั่งแล้วรู้สึกง่วงให้โยมกําหนดแสงสว่างให้เยอะๆกาหนดยังไง เคยเห็นไฟที่มันสว่างจ้าไหมเคยใช่ไหมนึกถึงไฟที่สว่างจ้าแบบนั้นน่ะแหละหลับตาแต่ว่านึกถึงไฟที่สว่างจ้ารู้สึกถึงความสว่างจ้าในศรีรษะให้เยอะๆหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างรู้สึกถึงความสว่างในศรีรษะให้เยอะๆถ้ามันสว่างในศรีรษะเยอะแล้วมันจะไม่ง่วงความง่วงมันจะตรงกันข้ามความง่วงเนี่ยมันจะเป็นความมืดลองสังเกต ถ้านั่งแล้วมันรู้สึกมืดมันรู้สึกตื้อเนี่ยแสดงว่าเริ่มง่วงละคราวนี้ถ้าเกิดความมืดแต่มันคลุมมาหมดนะพอคลุมหมดพวกมันจะเริ่มสั ป, ปรงโกเลยนะมันจะเริ่มสัปรงโกระกอาการอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าความง่วงมันเข้ามาเัราะฉะนนเรานึกถึงแสงสว่างจ้าให้เยอะๆะอาการความง่วงเหล่านั้นมันจะครอบงำเราไม่ได้เะฉั้นหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างแทนที่จะมาดูที่อาการยุบพองตรงนี้ ให้รู้สึกถึงแสงสว่างในศีรษะให้เยอะๆเลยนะรู้สึกถึงแสงสว่างจ้าเยอะๆนะให้สว่างมากที่สุดแล้วมันจะหายง่วงพอเรารู้สึกหายง่วงเราก็ค่อยกลับมากำหนดที่อรารมณ์กรรมฐานต่อแต่ถ้ามันไม่หายง่วงนมะ่นถึงแสงสว่างอย่างนี้ยังไม่หายง่วงทํำยังไงยกลืมตาขึ้นมาก่อนนะมันง่วงโอนั่งแล้วง่วงเลยเกิดลืมตาลืมตาแล้วมองซ้ายมองขวา มองไปช้าๆมองข้างบนมองข้างล่างอ้าวจากนั้นเริ่มกำหนดใหม่ในขณะเริ่มกำหนดให้ตั้งใจไว้เมื่อกำหนดแล้วเราจะไม่ง่วงแล้วค่อยๆกำหนดไปแต่ถ้ากาหนดแล้วยังง่วงอยู่อีกโยมลุกขึ้นไปเลยไปล้างหน้าซะเอาน้ําล้างศีรษะถ้าผู้ชายสบายหน่อยผมสั้นสัะผมเลย หรือไม่เข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำเลยแล้วค่อยออกมานั่งต่อแต่นั่งต่อแล้วยังง่วงอีกให้เปลี่ยนเป็นเดินเดินจงกรมแทนนะเดินจงกรมแทนคิดว่าน่าจะหายง่วงแล้วนะถ้าไม่หายก็แสดงว่าร่างกายมันเพลียจริงจริงนะร่างกายมันเพลียจริงๆรนะถ้าร่างกายเพลียจริงจริงอย่างนั้นให้พัก แต่ไม่ใช่กระโดดขึ้นเตียงโอ้สบายเลยไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะจำไว้ว่านอนนี่สุดท้ายนะไม่ใช่อันดับแรกนะทำให้ครบก่อนหนึ่งกำหนดแสงสว่างมองไปในทิศทั้งสี่นะจากนั้นเอาน้ำลูกตัวยังไม่หายอีกเอาเดินเดินจงกรมนะหรือเอาหัวข้อธรรมะขึ้นมาใคร่ครวญขึ้นมาคิดพิจารณา ถ้ายังไม่หายตอนนี้แสดงว่าร่างกายเป็นเพลียมากแล้วมันอาจจะเกิดอาการอ่อนเพรียมากถ้าอย่างนั้นให้โยมไปนอนแต่เวลานอนให้โยมกําหนดด้วยอเราจะนอนนะเราจะไม่ยินดีกับการนอนเมื่อเรานอนแล้วเรารู้สึกตัวเราจะรีบลุกขึ้นมาทันทีจากนั้นในขณะล้มตัวลงนอนกําหนดลมหายใจต่อยุบพองก็ได้นะตอนนี้เรื่องของลมลมหายใจที่วิ่งเข้าออกยังไม่ได้สอนนะแต่ว่า เดี๋ยวคราวหน้าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดเรื่องของทา่าลมอีกทีหนึ่งหรือจะกําหนดทา่าลมลมหายใจที่กระทบจมูกทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับเมื่อนอนหลับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นทันทีกําหนดต่อทันทีพอรู้สึกตัวปุ๊บกําหนดกลับมาที่ลมหายใจหรืออาการของท้องที่ยุบพองต่อทันทีแล้วก็รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาปฏิบัติต่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่นอนแล้วก็ให้ยินดีกับการนอน ไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายถึงเพียพยายามอย่างถึงที่สุดถ้าร่างกายมันไม่ไหวก็ให้ร่างกายมันได้พักแต่ในแง่ของ จ, จิตใจนั้นเราจะฝึกไปตลอดจะไดงพออ้าวมีคำถามอย่างอื่นไม่เอ่ยยังไม่มีคำถามนะเพราะฉะนั้นฝากโยมไปฝึกนะฝากโยมไปฝึกนะให้ได้อย่างน้อยสักวันละครึ่งชั่วโมงเดินสักสิบห้านาทีมานั่งสักสิบห้านาที ในขณะที่มานั่งโยมเลือกเอาจะใช้การเคลื่อนไหวของแขนหรือจะดูอาการของหน้าอกกระท้องรูปร่างของหน้าอกกระท้องที่มันเปลี่ยนไหนะวพระสวดมนต์ก่อนนะไหวพระสวดมนต์แล้วน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะจากนั้นก็มาเดินเดินเสร็จมานั่งนั่งเสร็จก็แผ่เมตตาถ้าโยมทําอย่างนี้วันละครึ่งชงั่วโมงวันละครึ่งชงั่วโมงแล้วโยมทําทุกๆวันนะอาทิตย์หนึ่งอาตมาคิดว่าโยมจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง คือนั่งแล้วมันจะสงบได้เร็วข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําโยมในเรื่องของการปฏิบัติตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดจะเป็นแค่รูปแบบอยู่แต่ก็ขอโยมทําก่อนนะเพราะว่าถ้าตัวเนื้อหานั้นเดี๋ยวจะค่อยๆสอนไปทีละขั้นทีละขั้นอีกทีหนึ่งสิ่งที่โยมพึงจะทํานั่นก็คือว่าหนึ่งให้โยมพยายามทําให้เป็นเวลากําหนดเวลาไว้เลย ถ้าครึ่งชั่วโมงไม่ได้อย่างน้อยสิบห้านาทีต้องมีต้องมียางน้อยสิบห้านาทีสาหรับการปฏิบัติต ร, ตรงนี้ถ้าให้ดีก็คือตอนเช้าสักครั้งตอนเย็นหรือก่อนนอนสักครั้งหนึ่งอันนี้จะดีที่สุดเช้ามีเวลาน้อยก็ตื่นให้เร็วหน่อยใช้เวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีนั่งกาหนดก็ได้เดินก็ได้ตอนเย็นมีเวลามากหน่อยก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง ถ้าทแต่ถ้าไม่มีเวลาสิบห้านาทีคิดว่าคงต้องมีแน่ๆใช่ไหมแต่ครึ่งชั่วโมงบอกมีไม่ถึงแต่สิบห้านาทีคิดว่าต้องมีถึงแน่ๆอทําแต่ทําให้เป็นเวลานิดหนึ่งยมกําหนดเลยถ้าจะทําตอนสามทุ่มสามทุ่มเป๊งทําทุกวันให้เป็นเวลาตอนเช้าก็เหมือนกันะตื่นมาถ้าจะเอาละตอนตีห้าสีสิบห้าถึงหกโมงตีห้าสีสิห้าตื่นขึ้นมาแล้วต้องทําทุกวันทําให้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่ากิจวัตร คืเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าเรารู้สึกอะไรบ่อยในช่วงเวลาไหนพอถึงเวลานั้นมันจะรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาเองมันเป็นอย่างนั้นะในเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนั้นเวลาเราทําเป็นกิจวัตรทําเป็นตารางของเวลาข้อดีคือตรงนี้ถึงเวลาปุ๊บมันจะสงบเองแล้วยิ่งเวลาเราทําเวลานั้นบ่อยๆทําเป็นประจํานะถึงเวลานั้นมันสงบแล้วเวลายิ่งทํามันยิ่งสงบที่ดีเนั้นพยายามทําให้เป็นเวลานะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ทำให้เป็นเวลาอย่างที่สองทำให้ได้เวลาถ้าบอกสิบห้านาทีอย่าให้กิเลสต่อรอง ถ, ถ้าจะทำตอนยินครึ่งชั่วโมงก็อย่าให้กิเลสต่อรองกิเลสมันจะต่อรองยังไงเอ่ยอวันนี้เราทํางานหนักมันเหนื่อยมากเลยสิบห้านาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปทํางานไม่ไหวทําตอนนี้มันก็ได้ไม่ดีเท่าไหร่เอาสักสิบนาทีพอ วันแรกนะหลายวันต่อมาอ้สิบนาทีก็ชักไม่ไหวเอาแค่สักห้านาทีก็พอละนะเอาว่าไหนๆก็ทําเป็นเวลาสักห้านาทีพอถัดจากนั้นมาอู้วันนี้เว้นสักวันก็ได้นะเสร็จแล้วต่อไปก็ไม่ใช่เว้นหนึ่งวันละวันนี้ยังยุ่งอยู่วันนี้มีงานนั้นวันนี้รายการทีวีสนุกเว้นสักวันหนึ่งแล้วต่อไปมอจิการเป็นเว้นทุกวันแล้วก็ไม่ได้ทํำลักษณะกิเลสต่อรองมันเป็นอย่างนั้น มันจะจะคันจะค่อยๆต่อรองทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะแล้วพอทีละนิดนี่เราก็จะหยวนไปเรื่อยนะสุดท้ายก็จะไม่ได้ทํานะนั่นแหละลักษณะกิเลสต่อรองเพราะฉะนั้นอย่าให้มันต่อรองนะเหมือนกับความตายเราต่อรองได้ไหมขอเวลาอีกหน่อยเอาไว้พรุ่งนี้ฉันค่อยตายได้ไหมมันต่อรองไม่ได้นะถึงเวลาตายมันตายเลยนั่นแหละนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทมันอยากให้กิเลสมันมาต่อรองเรา นึกไว้เสมอว่าไม่มีเวลานะเพราะฉะนั้นถึงเวลาตอนนี้ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยสิบห้านาทีคือสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงเวลากินข้าวยมมีเวลาไหมล่ะมีใช่ไหมนั่นแค่อาหารกายอาหารทางจิตใจทําไมยมไม่กินให้เป็นเวลาใช่ไหมใช่เนี่ยคือการอาหารใจละ่ะฝึกในด้านของจิตใจให้จิตใจมันผ่องใสสงบตั้งมัน่น วันหนึ่งทำให้เป็นเวลานะทําให้เป็นเวลาสองทำให้ได้เวลาถ้ากําหนดอย่างไรไว้นะโยมอาจจะกําหนดทีละอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์นี้เช้าสิบห้านาทีเย็นสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่อาทิตย์หน้ากําหนดใหม่เช้าสิบห้านาทีเย็นครึ่งชั่วโมงทําทีละอาทิตย์แบบนี้ก็ได้ค่อยๆกาหนดอาทิตย์นี้งานยุ่งมากเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราจะทํากี่นาที ตอนเย็นเอาแค่สิบห้านาทีช้าสิบห้านาทีเย็นสิบห้านาทีหมดจากงานนี้ใหม่กลับไปรูปแบบเดินช้าสิบห้านาทีเย็นครึ่งชั่วโมงพยายามทำอย่างนี้ให้ได้ถ้ากำหนดว่าจะทำเวลาเท่านี้ทำให้ได้ตลอดทั้งอาทิตย์เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นมาต่อรองพยายามทำอย่างนั้นทำให้เป็นเวลาทำให้ได้เวลาและอย่างที่สามทให้สม่าเสมอ อย่าขาดแม้แต่สักวันเดียวความสม่ำเสมอสำคัญมากในการฝึกเหมือนกับว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเราต้องการวิ่งให้ได้เร็วนะัอยากจะวิ่งร้อยเมตรหรือวิ่งสี่สิบกิโลเมตรได้นานๆโยมมาวิ่งทีหนึ่งไหวไหมละ่ะไม่ไหววิธีการคือโยมต้องวิ่งทุกวันัวนละเล็กัวละน้อยแล้วมันจะค่อยๆสะสมกำลังใช่ไหแล้วจากนั้นเราค่อยเพิ่มเวลาวิ่ง หรือเพิ่มระยะทางในการวิ่งถึงเวลานั้นร่างกายมันจะเริ่มปรับแล้วคราวนี้วิ่ง40กิโลก็วิ่งไหวจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเริ่มต้นเอาสัก15นาทีก่อนเดิน15นาทีหรือนั่ง15นาทีก็แล้วแต่จากนั้นเพิ่มเวลาเดิน15นั่ง15แล้วจากนั้นค่อยเพิ่มเวลาไปตอนนั้นเมื่อจิตมีกําลังเมื่อเพิ่มเวลาเราจะไม่รู้สึกทรมานและอาการเจ็บปวดหรืออาการเมื่อยแบบนี้เนี่ย มันจะไม่เป็นอุปสรรคกับเราเลยเมื่อจิตเราสงบเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเอานะทำให้สม่ำเสมอสามอย่างนี้นะเป็นเวลาทำให้ได้เวลาแล้วก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมออา้าวมีคำถามไหมเอ่ยในเรื่องของการฝึกบางวันไม่สบายลองฝืนดูสักนิดหนึ่งนอนทำได้ นอนทำได้อย่างน้อยก็ลมหายใจนอนทำได้ใช่ไหมแล้วคือเวลาปฏิบัตินี้เนี่ยนะในเรื่องของการเดินและการนั่งเนี่ยแค่รูปแบบแต่จำไว้ว่าในการปฏิบัตินั่นคือให้ใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆโยมจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้แต่ถ้าโยมไม่สบายโนนยมนอนอยู่ทำได้แต่ถ้าโยมสบายดีอย่านอนทาต่างกันนิดนึงนะไม่สบาย นอนทำได้แต่ถ้าสบายดีอย่านอนทำเพราะถ้านอนทำเมื่อไหร่มันจะไม่ได้ทำนะมันจะหลับอย่างเดียว <c oughs> เข้าใจนะวันให้อยู่กับการเดินหรือไม่ก็การนั่งหรือไม่ก็การยืนสามิริยาบทเท่านั้นนะในภาวะของเราที่เป็นปกติเข้าใจนะเจริญพรยังบางคนไม่สบายหรือมีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะหรือบางทีอาตมาตไปเยี่ยมคนไข้ที่เขาป่วยเขาบอกยกแขนอย่างนี้เขายังไม่ค่อยจะมีแรงเลยจะทำยังไงดี ลมหายใจได้ไหมอาการยุบพ่องอันนั้นเขาไม่ต้องออกกําลังมากแล้วมันมีอยู่กับเขาตลอดใช่ไหมถ้ากําหนดตรงนี้แล้วมันอึดอัดหรือมันเหนื่อยถ้าจะเป็นการเคลื่อนไหวทํายังไงนอนอยู่แขนยกไม่ได้แต่มือกํำได้นี่สังเกตที่มือกำมือเข้ามารู้สึกค่อยๆคลายมือออกไปรู้สึกไว้ แค่กำ ม, มือกับแบมือนี้ก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานไปได้ล้วแต่ว่าให้เรารู้สึกอยู่ตลอดนะใจน้ามาจุดจ่ออยู่กับภาวะของมือแบบนี้อย่างเวลาคนที่ป่วยมากๆเขายกแขนไม่ไหวไม่มีเรี่ยวแรงแต่ยังน้อยกํา ม, มือแบมือนี้เขาจะยังพอมีแรงอยู่ให้เขาฝึกไว้การฝึกอย่างนี้มันดีในแง่ที่ว่าเขาได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยะขนาดกำ ม, มือแบมือเนี่ยมันเป็นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งมันได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วย แต่เวลากรรมนั้นเหยียดเร็วอย่างนี้นช้าๆเขาค่อยสังเกตรกรรมแล้วก็แแบรกรรมมือแแบมือเสร็จอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวลุกคิดเมื่อยมือกลับมาที่ลมหายใจหน้า อ, อกกับท้องอาการยุบผ่องหรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กระทบจมูกเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งถ้าหนัดแบบไหนเลือกเอาแบบนั้นอันนี้เราก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมโยมนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเหมือนกันนะ หรืออยู่ที่ทํางานหนึ่งเรานั่งอยู่เฉยๆก็นั่งตัวตรงอากํากหนดลมหายใจเข้าออกอาการพองยุบหรือลมหายใจก็แล้วแต่นะแต่นี้ลมหายใจยังไม่ได้สอนนะอาการพองยุบไปก่อนก็ได้ถ้าไม่อาการพองยุบยกแขนแต่ถ้ายกแขนบอกเ อ, อ้ยเดี๋ยวคนอื่นเห็นเดี๋ยวจะหาว่าแหมมานั่งเเข่งมานั่งปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่ทํางานอย่างนี้กํามือกับแบมือก็ได้ นั่งอยู่ที่เฉยแบบนี้เราก็กำมือเข้ามาค่อยๆกำหนดรู้สึกที่ฝ่ามืออย่างเดียวแบ่งมือออกไปกำมือเข้ามาแบ่มือออกไปนี่ก็เป็นอารมณ์กรรมาฐานได้ละเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธินั้นไอ้พี่ว่าเดินจงกรมหรือนั่งอันนั้นแค่รูปแบบนะเป็นรูปแบบตั้งต้นให้แต่ตัวอัธถลที่แท้จริงก็คือว่าให้เราตั้งสติ ล, ลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และพยายามประคองให้จิตรับรู้แต่สิ่งนั้นอยู่ได้ตลอดเวลานะีความเพียรในการนึกหรือระลึกถึงสิ่งนั้นคอยประคองเอาไว้แล้วให้มีใจอยู่สงบอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วแต่นั่นแหละคือการที่ยมฝึกจิตละในขณะที่ทำให้มีความสุขในการทำนะมีความสุขในการทำ ถ้าโยมมีความสุขในการทําสิ่งใดใจโยมจะสงบได้ง่ายะจิตของโยมก็จะอยู่กับสิ่งนั้นได้ง่ายพระที่อัตมา ก, กําหนดให้เป็นรูปแบบว่ายกแบบนี้ไม่ได้จําเป็นว่าโยมจะต้องทําท่านี้เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิที่ถูกแนละไม่จําเป็นเลยโยมทําท่าของโยมเองก็ได้โยมจะแค่ยกมือแล้วก็วางแค่นี้ก็ได้ะจะแค่ยกแค่นี้ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรถ้าใจของโยมอยู่กับรูปร่างของแขนที่กำลังเปลี่ยนอยู่ตลอด โยมกำหนดได้เองเลยจะเอาท่าไหนเข้าใจนะเพราะแม้แต่กระทั่งตอนที่เราเช็ดกระจกตอนที่เราเช็ดรถโยมก็กำหนดได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เอ่ยกำหนดได้ไหมแขนที่กำลังเคลื่อนได้ในขณะที่เราอยู่กับตรงนี้นั่นแหละคือการที่โยมกำลังฝึกจิตละอย่าบอกว่าไม่มีเวลานะเพราะมันอยู่ได้กับทุกสิ่งที่โยมทำเลยอยู่ได้กับทุกสิ่งที่โยมทำ ถ้าในขณะที่ยอมทำงานยมจะฝึกยังไงขณะที่ยมทำงา น, าง น, างานถ้ายมกำลังคิดอยู่ที่เรื่องไหนอย่าปล่อยใจให้ไปคิดอยู่ที่เรื่องอื่นให้ใจเราสงบอยู่กับงานที่เราทำเท่านั้นแล้วพยายามทำทีละอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันการทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้จิตสั้นสายแต่ถ้ามันเรี่ยงไม่ได้เมื่อเราจะเลิกไปทำอย่างอื่นให้เรากาหนดงานที่เรากาลังทานี้ว่าเสร็จถึงตรงจุดนี้ แล้วก็ไปทํางานอื่นแล้วจากนั้นกลับมาทํางานเก่าที่ค้างให้เสร็จให้กําหนดในใ น, ในรักษาแบบนี้ค่อยๆทาไปทีละอย่างแบบนี้ในขณะที่ทําอย่าปล่อยใจให้ออกไปเนื่องถึงเรื่องอื่นอยู่กับงานที่เราทําทีละอย่างทีละอย่างไปถ้าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าในระหว่างวันยมได้ฝึกไปด้วยนยมได้ฝึกไปด้วยแล้วพยายามทําอย่างนี้เมื่อยมจะเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งปกติเวลาเราเดินเป็นยังไง เสรปุ๊บเดินเดินแล้วก็จะคิดใช่ไหมคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปโผล่อีกทีหนึ่งว่าจะเดินไปอีกห้องหนึ่งมาไปโผล่อีกห้องหนึ่งเคยเป็นไหมว่าจะเดินไปอีกที่หนึ่งอ้าวเพ้อแป๊บเดียวมันไปอีกที่หนึ่งละไอ้ที่ที่เราเคยเดินไปเป็นประจำนั่นแหละใช่ไหมความเคยชินเป็นอย่างนั้นอาการอย่างนั้นนี่แหละอาการที่เราเรียกว่าขาดสติทั้นวิธีการเมื่อโยมจะเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้โยมนึกก่อนเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นี่ พอกำหนดอย่างนี้เสร็จโยมเริ่มเดิ น, ดนขณะเดินโยมดูคที่ขาแต่อย่าเดินช้าแบบเดินจงกรมอย่างมาทําที่วัดนะไม่เอานะยกหนอย่งนอหยิบนออย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนไล่ออกพอดีเลยนะเดินแบบเดินปกติของเราแต่กําหนดนิดหนึ่งให้รู้สึกถึงขาซ้ายและขาขวามันจะรู้สึกได้ไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกไปเรื่อยๆแล้วคนนี้โยมจะไม่พลาดถ้าจะเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้มันจะไปยังจุดที่เราต้องการทันที แล้วมันจะไม่พลาดแล้วเราจะจำได้ด้วยว่าเรามาที่นี่เราจะทำอะไรบ้างเพราะบางคนเป็นเนี่ยนึกพอเดินไปถึงเสร็จปุ๊บมาที่ตรงนี้ทำไมเนี่ยลืมไปละเป็นไม่เอ่ยหรืออย่างเวลาเข้าห้างสรรพสินค้าก่อนออกจากบ้านของขาดหนึ่งสองสามสี่พอไปห้างเดินดูนั่นเดินดูนี่เสร็จลืมแล้วว่าตัวเองจะมาซื้ออะไรนั่นแหละอาการขาดสติ นะงั้นกำหนดให้ตลอดเลยนะกำหนดให้ตลอดค่อยๆทำไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างถ้าทำโยมทำอย่างนี้เท่ากับว่าในระหว่างวันโยมก็ได้ฝึกไปด้วยได้ฝึกจิตใจของเราไปด้วยทำให้เราอยู่กับสิ่งที่ทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ายมฝึกอย่างนี้เนี่ยจิตโยมจะสงบตั้งมั่นได้ง่ายเมื่อโยมมาปฏิบัติเฉพาะและเมื่อปฏิบัติเฉพาะจิตใจเราสงบตั้งมัน่นเวลาเราไปกอบประกอบกิจหน้าที่การงาน เราจะทําอะไรเราก็จะสามารถอยู่กับเรื่องนั้นๆได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเสริมซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะมันจะเสริมซึ่งกันและกันเลยลองสังเกตดูกันแล้วกันถ้าในขณะที่ทํางานเราทํางานอย่างกําหนดนะมีสติในการกําหนดใจสงบอยู่กับงานที่ทํามีความเพียรในการทําตอนนั้นจใจโยมจะสงบเวลาโยมมานั่งสมาธิจะนั่งได้ง่ายเมื่อโยมนั่งสมาธิจิตโยมสงบ เวลาโยมไปทำงานในชีวิตประจำวันโยมก็จะกําหนดได้ง่ายใจก็จะอยู่กับงานที่ทำได้ง่ายด้วยมันสองอย่างนี้จะเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดนะเพราะตรงนี้มันจะเสริมในฝ่ายของจิตใจเรื่องของคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการปฏิบัติกิจหน้าที่การงานเพมันเหมือนกับที่อาตมาบอกว่าเป็นการให้อาหารจิตใจหรือบางทีถ้าจะพูดในเชิงลอลอ ก, กับคา ออกกาลังกายก็คือออกกําลังจิตนั่นเองนะการฝึกอย่างนี้ก็คือการออกกำลังจิตให้จิตเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีสติกําหนดได้ดีมีความเพียรพยายามแล้วก็ไม่สัดสายฝุ่งซ่านนั่นให้พยายามทําทุกครั้งที่เรามีเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อยู่กับมานั่งเคลื่อนไหวซ้ำๆแค่นี้เท่านั้นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทำนั่นก็เป็นการฝึกในด้านจิตใจเรียบร้อยละแต่ต้องมีเวลาฝึกเฉพาะ อย่างวิธีการที่ได้ศึกษานี้ด้วยนะการที่เราทําอะไรซ้ำๆแบบนี้มันจะฝึกวิริยะได้ดีโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะเป็นตัวร้าวพวกวิริยะแต่ถ้าการนั่งนิ่งๆสงบสงบพวกนี้จะเพิ่มกำลังของสมาธินะวันถ้าใครรู้ตัวว่าขี้เกียจบ่อยนั่งแล้วชอบง่วงให้อยู่กับการเคลื่อนไหวร้าววิริยะให้เยอะ แต่ถ้าใครฟุ้งซ่านเยอะให้นั่งนิ่งๆดูเพียงแค่อาการยุบผ่องหรือกำหนดลมหายใจที่กระทบเยอะๆมันจะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านของเราลงไปอ้าวนะวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะเริ่มในเรื่องของให้ดูเรื่องของอาการเกร็งตึงหย่อนแล้วก็ลมแต่ว่าก็เวลาไม่ทันนะก็คงยกยอดเอาไว้เป็นคราวหน้านะคราวหน้าจะสอนในเรื่องของธาตุลม จะสอนในเรื่องของธาตุลมเพื่อว่าบางคนกําหนดรูปร่างแบบนี้รู้สึกว่ามันกําหนดได้ไม่ชัดแต่รู้สึกกําหนดอาการเกรงตึงหย่อนหรืออาการพัดหรืออาการเคลื่อนไหวได้ชัดเราก็จะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้เช่นเดียวกันเพราะในช่วงแรกนี้อาตมาจะสอนรูปแบบในเรื่องของการปฏิบัติก่อนส่วนเหตุผลที่มาที่ไปนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆ อ, อธิบายในครั้งถัดๆไปนะเพราะว่าอันนี้เรื่องสีเนี่ยอาตมายังไม่ได้อธิบายให้โยมฟัง ในเรื่องของเสียในเรื่องของทานอย่างละเอียดนั้นยังไม่อธิบายให้ฟังแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าฟังอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวมาที่นี่สองชั่วโมงกลายเป็นว่านั่งฟังทำอย่างเดียวประโยชน์ที่ได้มันจะน้อยไป น, นิดหนึ่งเมื่อบอกรูปแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวพอบอกรูปแบบเรื่องการฝึกจบต่อไปจะให้โยมฝึกตั้งแต่สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงโยมมาถึงให้โยมปฏิบัติกรรมฐานเลยให้จิตสงบก่อนแล้วช่วงสิบเอมงถึงเที่ยงจะเป็นเรื่องของการบรรยายในเรื่องของตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะสองชั่วโมงนี้จะให้อยู่กับการฝึกนะคิดว่าคงอยู่ที่เราดาประมาณสักสี่ครั้งเั้นสี่ครั้งใครมาในช่วงนี้ยังทันนะแต่ถัดจากช่วงนี้แล้วพอเข้าเรื่องของเนื้อหาอัตมาอาจจะไม่ได้มาทวนตรงนี้ให้แล้นะอ้าวมีคําถามไม่เอ่ยไม่มีคําถามนะอ้าวถ้าไม่มีคําถามถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะพอดีเที่ยงแล้วนะจะเจริญพร ลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน